ท่านผู้ฟังที่เคารพคะเรากำลังจะผ่านจากช่วงแรกที่เพิ่งจบไปโดยพระมาราควโรวัดนาปาพงลำลูกาคลองศิษย์ซึ่งที่นั่นจะมีทอดกระิ่นในวันที่4พฤศจิกายนนะคะวัดอยู่ที่ลำลูกาคลองศิปทุมธานีสะดวกไปก็ไปร่วมกันตั้งแต่เช้าตรู่แต่ว่าถ้าไม่สะดวกร่วมจ ะ, ะประสานงานได้กับทางสถานีวิทยุแห่งนี้0ูนย์สอ0 6องหกเกฉันได้แจ้ง อวิธีการที่จะติดต่อกับทางวัดเอาไว้ให้นะคะตอนนี้เราก็ไปพบกับพระพิบูลยพิบุญโน จ, จากวัดป่าดอนหายโศกนะคะจังหวัดดอนานีช่วงเปิดคาที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะกราบน้อมักการะค่ะท่านอาจารย์คะเดิมพรค่ะสําหรับวันนี้เรามีผู้ฟังที่ฟังต่อเนื่องมาจากคราวตอบคาถามครั้งที่แล้วอืมคือคุณรัตนว ด, ดีชุดติกุลนบอกว่าได้ฟังธรรมะจากรายการ วันที่สิบสี่กันยายนอาบอกว่าดีมากแม้จะแค่สิบห้านาทีแต่พระอาจารย์ให้เนื้อหาสาระมากต้องฟังซ้ําฟังย้ํมาอยู่ห้าหกครั้งเพื่อเก็บเนื้อหาทําความเข้าใจพร้อมกับฝึกปฏิบัติไปด้วยโดยฟังจากเว็บไซต์เพิ่มคงจะหมายถึงเว็บไซต์ของท่านไหมคะใช่ใช่เดชธรมะคอ่ะให้ฟังย้อนหลังได้อ๋อคะ่ะนะคะท่านแล้วก็บอกว่าอนุโมทนาสาธุค่ะจะเพียรพยายามฝึกปฏิบัติตามคําสอนต่อไป ดิฉันก็นุโมทนากับคุณรัตนาวดีเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ว่าแต่ว่า เ, าเวลาให้ธรรมะในวันนั้นดิฉันมาทบทวนว่าเอ๊ะท่านสอนเรื่องอะไรอืมทบไปทวนมาพระอาจารย์ก็เลยบอกบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่ท่านจัดคนเดียวเพราะว่าดิฉันต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกระทันหันนะคะแล้วก็บันทึกรายการไม่ทันจริงๆวันนี้นิมนต์พระอาจารย์อย่างนั้นอีกสักรอบดีไหมคะก็พูดถึงเรื่องการปฏิบัตินั่นเองค่ะนะพูดถึงเรื่องของ จะทํายังไงให้จิตของเรามีสติคือธรรมาก็ต้องเน้นย้ําอย่างเงี้ยคุณโยมติว่าเราอย่าไปท้อแท้อะไรนิดหน่อยๆนะคือบางทีเรานั่งสมาธิแม้แม้แต่ตัวธรรมาเองก็เถอะเอาแต่บางทีเราก็มีคิดนั่นคิดนี่บ้างธรรมดานะแต่บางทีเรานั่งสมาธิสิบนาทีอย่างเงี้ยหรือครึ่งชั่วโมงอ่ะจิตเราสงบแค่2นาทีอ่ะนั่งสมาธิสามสินาทีจิตสงบแค่2นาทีอีก28นาทีนี้ไม่สงบเลยนะคิดนั่นคิดนี่คิดถึงคนน้นคิดงคนนี้ แล้วเรามาบอกว่าโอ๊ยฉันนั่งสมาธิไม่สงบเลยคุณพูดไม่ได้เลยนะเพระาะตรงนั้นคุณยังสงบสองนาทีนะ <c oughs> แล้วไอ้ยี่สิบปดนาทีที่ไม่สงบเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงนะเราจะจัดการมันไม่ได้เลยคุณโยมติว๋วถ้าเราจะไปพยายามเพ่งดูแต่ตรงยี่สิแปดนาทีนั้นมันไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับมันจะกินเรามันทั้งหมดแต่ถ้าเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ชนะอยู่แล้วยี่สแปดนาที <c oughs> แต่เราไม่ได้ดูตรงนั้นไง เราต้องใช้ธรรมาธิปไตยเราไม่ได้ใช้ว่าเอส่วนข้างมากเป็นไงถ้าข้างมากเป็นอย่างนั้นฉันคือก็ต้องเป็นอย่างนั้นแตนะ่ถ้าข้างมากในที่นี้28นาทีเป็นไม่สงบฉันก็คือคนที่จิตไม่สงบไม่ใช่มันไม่ถูกนะเรากำลังพิจารณาเรื่องธรรมาธิปไตยคุณโยมติวเราจะทําไงให้อีสนาทีที่เราบอกว่าดีเนี่ยที่พิจายยืนยันว่าดีเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นนะ ค, คนในโลกเนี่ยมีคนไม่ดีต้องเยอะแยะเอาพูดง่ายๆมีคนไม่ดีมากกว่าคนดีนะในโลกเนี่ย ไม่งั้นมันไม่มีปัญหามากขนาดนี้นะเอถ้าคนดีมันมากกว่าคนไม่ดีนะมันก็จะไม่มีปัญหามากขนาดนี้คนดีที่ว่าดีดีบางคนก็ดีไม่ไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนด้วยซ้าไม่ต้องดีถึงรอยเปอรเหรอกดีสักห้สิเอร์เซนเนี่ยมันก็ยังหาหน่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องทําตรงที่มันดีดีเนี่ยให้มันมีมากขึ้น เราต้องเอาจิตของเราไปเพ่งบินีตรง2นาทีนั้นมากที่มากกว่าที่จะไปเพ่งบินี่ตรงยีบแปดนาทีนั้นอสองนาทีตรงเนี้ยเราจะทํำยังไงแต่ถ้าเราบอกว่า30สนาทีฉันก็ไม่นั่งเลยหรอกเพราะฉันนั่งไม่สงบแล้วฉันนั่งไม่สงบตั้งยีิบเจดนาทียีสิบแดนาทีสองนาทีคุณก็ไม่ได้สองนาทีคุณก็ไม่ได้อย่างน้อยนคุณนั่งสาสินาทีคุณยังได้2นาทีอย่างเงี้ยนะประเด็นตรงเนี้ยคือว่าไอ้สองนาทีตรงนั genius, ้นเนี่ยเราจะทํำยังไง แต่มาก็เคยพูดเรื่องกันขับรถกุญยมติ๋วขับรถเป็นใช่ไหมค่ะขอถามหน่อยเถอะตอนที่ไปฝึกขับรถแรกๆเลยอะ่ะนะมันเป็นยังไงบ้างอืมถามดิฉันหรอคะใช่วิธีการฝึกอาจจะหวู่หวาสักหน่อยคือ <laughs> ฝึกด้วยวิธีที่ไม่ได้สอนทฤษฎีเลยอื ม, มีพี่สุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านบอกว่าให้นั่งรถท่านเนี่ยนั่งตรงตำแหน่งคนขับอ๋อ แล้วก็ให้เหยียบคลัชอะไรนะคะเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งไปเลยดิฉันก็เหยียบไปควันก็ขโมงทั้งในรถเลยค่ะก็เป็นอะไรที่ถามว่าใหม่ๆเป็นงไงตื่นเต้นยังเคยขับรถช่วงใหม่ๆเลยเคยไปชนรั้วบ้านคนด้วยอืมอมันมันตื่นเต้นไปหมดละค่ะท่านคะมันแทบจะไม่ได้เลยเราคิดดูนะขาเนี่ยต้องเหยียบคลัชใครที่ขับรถเป็นหรือไม่เป็นก็ตามลองพิจารณาตามนะ อีกขาหนึ่งต้องเหยียบคันเร่งแล้วก็เบรกด้วยน ะ, ะมือต้องถือพวงมาลัยน ะ, ะ อ, อีกมือหนึ่งต้องคอยเปลี่ยนเกียร์นะตาต้องดูกระจกซ้ายขวาแล้วก็กระจกสะทอนข้างหลังแล้วก็ต้องมองข้างหน้าด้วยนะสมองก็ต้องคิดว่าเฮ้ยต้องเดินไปทางไหนแล้วคอยควบคุมอุปกรณ์ต่างๆหูก็ต้องฟังคนข้างข้าเขาพูดอะไรโอ้มันแทบจะทําไม่ได้เลยคุณยมติว์นะั้นแต่พอเราฝึกไปค่อยๆอ อ, ออกตัวนะทำะไปเอา้าถอยหลังได้เอจอดรถได้ นะเราไปลองทำดูเอาขับไปถนนใหญ่นะับไปถนนใหญ่แล้วขับทางไกลขับขึ้นสะพานขับลงสะพานจอดถอยหลังได้นะไปคนเดียวได้คุณเริ่มมีความมั่นใจลนะบางตัวขับไปขับไปใช่ปี4ปีมีความมั่นใจมากขึ้นนะตอนนี้โอโ้เข้าเกียรนะ์มือถือพมรมาลัยนะไหลนี่ก็นเน็บโทรศัพท์เอาไว้ปากนี่ก็พูดกับคนข้างๆง สมองก็ไปคิดเรื่องอื่นตาก็มองกระจกสาบาน ท, ทุกอย่างทําได้ในเวลาเดียวกันหมดมันแทบจะทําไม่ได้เลยนะแต่ก็ทําได้นะสามสี่ปีผ่านไปนะจนบางคนเนี่ยฝึกขั้นถึงว่าไปขับรถผ่านโผล่แล้วนะกระโดดขึ้นไปมีเล่นมอเตอร์ไซค์ไต่ถังอะไรต่างโอ้โหมันวูวว้าขึ้นไปขั้นหนึ่งอนะเนาะอาจามันจะมัเบรคเทียบกับ ตรงปัจจุบันนี่ที่ว่าเราทําจิตไม่สงบโอ้มันเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย2นาทีแค่นั้นเองอะ่ะ <Okay. S 1> แต่ถ้าคุณฝึกไปทําไปฝึกไปให้คุ้นให้ชนานาญระหว่างวันคุณก็ทําไม่เว้นไม่ว่างเว้น ไ, ไม่ประมาทใช่ไหมกลับมาบ้านคุณก็เก็บตรงนี้5นาทีตรงนี้10นาทีทําไปทําไปไอสอนาทีตรงนั้นอะ่ะมันก็ค่อยๆเพิ่มเป็น5นาทีอย่างเงี้ยหนาทีคุณทําไปทําไปอีกปีหนึ่งสอปีผ่านไป5นาทีมันเพิ่มเป็น10นาที ที่จิตสงบเราเพิ่มเป็นสินาทีโอ้ยตรงนี้จะเป็นที่พึ่งของเราไปได้ตลอดชีวิตนะขอให้ทำนะอย่าท้อนะทำเนี่คือทำอะไรนะคือทำเนี่ยหมายถึงเราก็คอยมารู้ลมหายใจของเร า, นะารู้ลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆแนะต่มาก็ยังเปรียบเทียบว่าลมหายใจเนี่ยเปรียบเส ม, มือนบ้านนะเราไปต่างประเทศไปทำงานไปเรียนหนังสือนะมันมันก็ไปก็ไปไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวคุณต้องกลับมาบ้านนะวันวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้มีสติเลมหม่ใชจตลอดหรอกนะมันก็ไปคิดนั่นคิดนี่นก็ฟุ้งไปมันก็ธรรมดาใช่ไหมเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านยีิบสีชั่วโมงนะเลยต้องมีวันที่ออกไปจากบ้านนะถึงแม้คุณจะอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีวันที่คุณไปตลาดนะไปซื้อกาแฟซื้อก่อนเดี๋ยวคุณก็กลับมาบ้านนะเช่นเดียวกันเวลาที่เราไปคิดนั่นทำนี่พูดคุยบางทีมันไม่ได้รู้ลมหายใจหรอกนะแต่เดี๋ยวๆก็ให้กลับมันมารู้ลมหายใจซะอย่างเงี้ยนะให้ลมหายใจเนี่ย เปรียบเสมือนเป็นบ้านของเราเขาเขาไม่อยู่บ้านเราก็เรียกเขากลับมาเพราะเขาจะไปเที่ยวไหน เ, เราก็คอยดูมันจะกลับมาหรือยังอ้าวมันยังไม่กลับนานแล้วอากลับมาซะอย่างเงี้ยก็ใช้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นหลักเป็นฐานเป็นเสาเกินเสาหลักอะนะเปรียบเส ม, มือนบ้านพระพุทธเจ้าใช้คําวิหารธรรมวิหารธรรมวิหารนี่แล้เวเครื่งองที่อยู่ก็คือบ้านนั่นแหละ มันก็คือเป็นธรรมที่เป็นเป็นบ้านเป็นธรรมที่เป็นที่อยู่ของอะไรของอะไรคุณโยมติว่าของจิตถูกต้องะนะจิตเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่สติคใช่ไหมจิตเป็นที่เล่นไปสู่สติสตินี่แหละถ้าเรามีเนี่ยนะคุณโยมติวมันจะพาเราแล่นไปสู่มิมุตได้แต่เราเรื่องลมหายใจสุดท้ายนะลมหายใจนี่อยู่กับเราตลอดเลยนะ แม้กระทั่งลมหายใจ ส, สุดท้ายเราจะตายแล้วคนเกษียณนะใกล้แล้ววัยวัยสุดท้ายของคือไม่ได้ไหมายความว่าคนเกษียณจะตายแล้วนะคือหมายความว่ามันเป็นใบสุดท้ายของเราแล้วอาจจะยี่สิปียี่สิบปีเราก็ไม่แน่นะนมันเป็นวัยที่เราควรจะต้องระลึกถึงคอยเตรียมตัวว่าเมื่อวันนั้นมาถึงแล้วเราจะเป็นผู้ที่ยังผาสุกอยู่ได้ลมหายใจ ส, สุดท้ายของเรายังช่วยเราได้เลยณวินาทีนั้นนะถ้ามีสติใช่สติกับลมหายใจ ส, ส, <Thanos S 1> สุดท้ายนะั่นนะ่ะสตินั่นนะ่ะจะพาเราไปวีมุตได้ ใช่พี่บค่ะแตฉันกำลังนึกถึงละครหรือภาพยนตร์เวลาคนใกล้จะตายเนี่ย <c oughs> ก็มักจะพูดถึงแต่เรื่องคนอื่นนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนที่กำลังมีความรักก็จะละล่ำละลักถึงเธอผู้เป็นที่รัก <c oughs> พ่อแม่ก็จะละล่ำล ะ, ละลักถึงความรักที่กาลังจะต้องจากลูกที่กำลังประคองตัวเองอยู่เฉพาะหน้านะคะ <c oughs> ทีนี้อยากกล่าวเรียนถามท่านว่าจริงๆแล้วนาทีนั้นควรทาอะไรคะ บางทีนั้นควรจะต้องมีสตินะคือหมายว่าข้อการการระลึกถึงคนอื่นๆก็ตามถ้าเขาเป็นคนดีเนี่ยมันก็ก็ได้ผลกันคือพระเจ้ายังเคยพูดถึงการระลึกถึงบุคคลที่คนดี mm. เช่นสังขานู้สติอย่างเงี้ย mm. ก็จะทำให้มีผลใหญ่มอันนี้ส่งใหญ่เหมือนกันแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนดีนะเรานึกถึงก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในใจอันนี้ก็จะเป็นสิ่งดีเขาจะไปดีได้ แต่ถ้าคนนั้นเป็นคนไม่ดีเช่นลูกเกเรลูกติดยาเสพติดโอ้ยลูกคนนี้มันจะเป็นยังไงอะไรก็ไปไม่ดีแน่อย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยถามว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งของเราได้นะถ้าพอเราไปนึกถึงคนหนึ่งคือจิตเราส่งออกแล้วแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเรายิ่งไปตามกระแสที่เขาจะพาไปแต่เพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือว่าให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับลมหายใจสุดท้ายนะอย่างที่พระเจ้าพูดถึงว่ามีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายนะเราก็จะมี สติรู้นะลมหายใจสุดท้ายด้วยซ้ำํำนะเพราะพอมลมหายใจมันหมดแล้วเนี่ยร่างกายยังไม่ได้ตายทันทีนะเพราะว่าถ้าดินธาตุน้นำธาตุไฟทัตุลมมันยังอยู่นะจก น, นกระทั่งค่อยมันเสียสมดุลของไอธาตุทั้งสี่มันก็เริ่มแตกแล้วกายก็เริ่มแตกอย่างนี้นแตกนี่หมายถึงว่ามันไม่สามารถทรงให้จิตมันมาก้าวลงอยู่ได้อนะะเพราะฉะนั้นอถ้าพูดถึงว่าในวาระตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องคอยรักษาจิตของเราอย่างดีนะอืม เหมือนกับคุณที่เขาป่วยอ่ะคุณยมเตี้ยวป่วยเป็นมะเร็งขั้นที่4ี่หรือว่าโรคอะไรร้ายแรงที่มันปุ๊บปั๊บไปได้เนี่ยนะโรคหัวใจเป็นต้นเนี่ยถ้ามีอาการปวดอ ย, อย่างคนหัวใจเป็นโรคหัวใจเนี่ยจังหวะที่หัวใจเต้นทุกครั้งมันปวดข้างในปวดข้างในมันว่าบว่าบร้อนอยู่ข้างในเนี่ยนะไปถามคนที่เป็นโรคหัวใจก็จะรู้มันมันจะเหมือนกับว่าต้องคอยระวังจิตของเราไม่ให้มันไปก้าวลงในเวทนานั้นน่ะ ทุกจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยโหดีมากเลยเรามีสติอยู่อย่างนั้นน่ะใครจะมาด่าจะมาว่าอะไรต่างๆเฮ้ยเราไม่สนเลยเราไม่เอาเรามาคอยดูเวทนาของเราอย่างเดียวค่ะคอยระวังจริงของเราอย่างเนี้นะให้ให้เป็นอย่างนั้นเลยอืมันก็เรียกว่าหน้าที่จะต้องคอยฝึกกันบ่อยๆถูกต้องนะทําซ้ําๆทําย้ํำๆทำํ ำ, ๆทำบ่อยๆ อย่าไปคิดว่าธรรมะนี่ต้องคอยอ่านหนังสือเล่มใหม่ๆฟังประเด็นใหมๆ่ๆรูปแบบใหม่ๆไม่ใช่ธรรมะเนี่ยต้องทําบ่อยๆธรรมะนี่มันไม่มีเก่าไม่มีใหม่อยู่แล้วนะเป็นอาการลิโกโใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่ง <ๆ S 2> ที่เราต้องทํากับธรรมะเนี่ยที่เราหมายถึงมั่งเนี่ยนะก็คือทําให้มันบ่อย ๆ, <ช>ๆไม่ใช่หาใหม่ๆนะเอาบ่อยๆเดี๋ยวไปหากูบาอาจารย์ตรงนั้นเดี๋ยวไปหากูบาอาจารย์ตรงนี้กูบาอาจารย์คนนั้นดังอับไปไม่ใช่นะ อ, อ่า แต่คุณต้องทําบ่อยๆอยืค่ะดิฉันกาลังจะกลับเป็นถามท่านพอดีแต่ว่าก็คิดว่าสงสัยเวลาน้อยอย่าเพิ่งถามประเด็นนี้ดีกว่าอออือ่สังเกตว่าส่วนใหญ่จะมีจํานวนมากทีเดียวนะคะที่นิยมเรื่องของการสแสวงหาครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆก็จะมีการมาเล่าให้ฟังว่าไปเจอเนี่ยเจ๋งมากเลยไปเจอเนี่ยเยี่ยมมากไปเจอเนี่ยโหสุดยอดอืให้ฟังกันอยู่ตลอดเวลาอันนี้ท่านบอกว่า ไม่ไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นที่สุดอย่างนั้นหรือไงคะเ อ, อ่อคือหมายความว่าการที่เรามีศรัทธาในใครสักคนในคนหนึ่งะนะอันนี้ก็ก็มีได้ใช่ไหมอ่าก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าผิดอะไรแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าเน้นยังไม่ทำเนี่ยก็คือการทําการปฏิบัติในใจของเราในกายของเราทําบ่อยๆนะถ้าตรงนั้น ค, คุณจะทํามันก็ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถูกทางตรงที่ว่าถ้าเราไปเที่ยวสแสวงหา สวัสดนหาปัญหาไม่หมดหรอกไม่ได้จบหรอกนะพระมีกี่ล้านองค์ในโลกนี้ใช่ไหมทุกคนคุณก็ปลูกศรัทธาได้ทุกองคอะไรถ้าเขามีศีลมีอภิสมาจารย์อย่างดีนะสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยคือแทนที่จะหาภายนอกนะพระเจ้าธรรมบัณฑ์เจ้าคือให้ทวนกระแสนะไม่ใช่หาภายนอกแต่ค้นหาภายในค้นหาภายในพอเราค้นหาภายในเราจะเจอจุดที่มันจบได้แต่ถ้าค้นหาภายนอกมันจะจบไม่ลงแหละมันก็ค่อยเป็นไปตามเรื่องราวมันไปเรื่อย ปพราะน้นจึงต้องเน้นให้หาภายในจิตของเรานั่นเองหาภายในจิตของเราดีที่สุดถูกต้องหานี่หาอะไร <c ười> คือไม่ใช่หาของวิเศษหาเครื่องรังของกลังหรือว่าหาเห็นโน่นเห็นนี่นะแต่ว่าหาเนี่ยคือให้หาเจ้าตันหา ย, ยู่ที่ไหนล้ามันทิ้งไปนะหานี่หาว่าอาวิอวิชา ย, ยู่ที่ไหนล้ามันทิ้งไป าหานี่เห็ น, นเห็นอะไรไม่เห็นแต่หนังตานะนั่งสมาธิอ่ะต้องเห็นตามที่เป็นจริงนะคือรู้เห็นตามที่เป็นจริงนะคือถ้าถ้าไม่มีการพูดย้ำกันอยู่เสมอๆเนี่ยฉันว่าชีวิตคนที่ใช้กันในแต่ละวันแต่ะวันมันก็จะไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้ากันแทบทั้งนั้นใช่ยิ่งเป็นคนที่อยู่ในอาชีพการงานไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าโอ้บางช่วงทํางานได้ลืมตายนะ ร่างกายทำงานไม่ไหวก็จะพยายามรับประทานยาอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองผ่านความยากลำบากตรงนั้นทำงานต่อให้ได้จนจบและสารสิ่งที่ได้พบก็คือวันหนึ่งได้พบว่าในร่างกายเมื่อไปตรวจมีสารที่มันตกค้างจากยาต่างๆอยู่ในร่างกายเยอะจนมีอาการไม่สบายกายอยู่เป็นเวลาช้านานกว่าจะรักษาหายแล้วคิดได้นี่ก็นานอยู่คือคือทางานถ้าเรา ใช้เหียงคาว่าทํางานลืมตายเนี่ยน ะ, <ค>ะอตาตมาก็คิดว่าคือสาวเราทุ่มเทมากเรามีความเพียรมากนะในความหมายร<ค>ะ ย, ยะนี้ใช่ไ่<ค>ะในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ความเพียรตรงนั้นเนี่ยมาในการที่ทําให้เราพ้นจากความตายนะโอ้โหมันจะเลิศรู้อลังการมากนะมาว่าใช้ความเพียรแบบเนี้ยแบบลืมตายเลยนะเอามาใช้ในการที่ทำให้พ้นจากความตายน ะ, <ค>ะแหมจะดีมากเลยก็ จ, จึง ได้กราบเรียนถามท่านประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้สแสวงหาหรือว่าเจียดแบ่งเวลาในการที่จะพยายามฝึก ใ, ในหนทางที่จะทำให้มีความสุขอย่างยั่งยืนพ้นจากความตายนี้ได้พ้นจากความตายคือสุขอย่างยั่งยืนนี่ยังไม่ใช่พ้นจากความตายนะคะแปลว่ายังมีความไม่ตายยังมีความมีชีวิตอยู่ ที่ทําให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเนี่ยแต่ว่าสุขอย่างยั่งยืนก็หมายถึงว่าสุขที่สุดนะนะก็อย่างที่พุทเจ้ายยืนยันวันที่พานังประมังสุขังนะนิพานเป็นสุขสุดที่สุดเลยนะก็เพะนั้นถ้าในความหมายนี้ก็คือความหมายเหมือนกันนั่นแหละก็คือพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็คือสุขที่สุดล่ะวางกันเถอะค่ะก็เป็นว่าเป็นเรื่องที่ทําแทนกันไม่ได้นั่นแหละนะคะใช่วันนี้กล่าวน้อมสการขอบพระคุณท่านพุทธบุญเปอย่ากยิ่งค่ะเจริญบาน ท่านผองที่เคารพค่ะในการสนท น, น, นานะคะสําหรับวัดป่าดอนหายโศที่ท่านไปบุญอยู่นี้ก็จะมีการทอดกระถิ่นวันที่11เดือน11ท่านใดจะขึ้นไปทําบุญก็ไปก่อนช่ววันคดีเพราะส่วนใหญ่ทอดกรถิ่นนี้เขาทำกันเช้าเชเว้นแต่ว่าท่านมีความสามารถในการเดินทางไปถึงจะเช้าตระะู่ค่ะบรรยากาศมีชีวิตชีวาอิ่มเอิบไปด้วยบุญแบบร่าเริงรื่นเริงใจไปกับบุญนะคะที่ท่นบอกอย่างนี้ แล้วก็ท่านจะสามารถหารายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-269-0006 หนะคะหรือว่าจะติดต่อไปที่เพ o ยวธรม .com 1 0ต๊ไปอ่านธรรมะที่นั่นไปฟังธรรมะที่นั่นก็มีโอกาสที่จะได้พบรายละเอียดเช่นนี้ด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสำหรับรายการสั้สนีสนทนาพุทธว ส, สวัสดีค่ะ